อดดูนิมิตปรุงแต่งเวลานึกถึงใบหน้าของคนที่ด่าคุณให้เจ็บใจคุณเห็นใบหน้าเขาเป็นสีหรือขาวดำใจคุณเห็นใบหน้าเขาชัดเจนหรือเลือนรางใจคุณเห็นใบหน้าเขาแวบเดียวหรือหลายวินาทีใจคุณเห็นใบหน้าเขาแยกเคี้ยวยิงฟันหรือเรียบเฉยเป็นปกติ ขอให้นึกถึงใบหน้าของคนที่ด่าทอหรือต่อว่าคุณให้เกิดความเจ็บใจเอาที่คุณคิดว่าคุณจำความรู้สึกเสียดแทงหน้าโมโหได้อย่างแม่นยำคุณจะพบความจริงประการหนึ่งคือยิ่งคุณจำความรู้สึกเสียดแทงหรือความเจ็บใจได้แม่นขึ้นเท่าไหร่ภาพใบหน้าของคนคนนั้นยิ่งปรากฏชัดและตั้งอยู่นานขึ้นเท่านั้นประสบการณ์ตรงทางใจที่เกิดขึ้นนี้ คือตัวอย่างการเห็นความปรุงแต่งทางใจชนิดเข้มข้นความปรุงแต่งทางใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จะเด่นชัดตอนเกลียดมากหรือรักมากเพราะอารมณ์เกลียดและอารมณ์รักที่โดดเด่นมีอิทธิพลปรุงแต่งให้เกิดมโนภาพหรือนิมิตทางใจอันเป็นภาพเสมือนขึ้นมาในห้วงมโนนึกของคุณได้อย่างแจ่มชัดและไม่เสื่อมสลายไป ราบเท่าที่อารมณ์เกลียดหรืออารมณ์รักยังคงปักหลักตั้งมั่นอยู่คราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่ขอให้นึกถึงใบหน้าของคนแปลกหน้าที่เพิ่งผ่านเห็นกันตามถนนหรือใครก็ได้ที่คุณรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ชอบหรือชังอย่างไรทั้งสิน้นคุณจะพบความจริงคือใบหน้าของเขาเลือนรางและจางหายไปจากใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นก็เป็นการแสดงความจริงที่ว่าความรู้สึกเฉยเฉยไม่มีพลังรักษานิมิตทางใจไว้ได้นานพอนึกออกก็แทบจะเลือนหายในทันทีทันใดในห้วงมโนนึกคนแปลกหน้าหรือคนที่คุณรู้สึกเฉยเฉยจะปรากฏมโนภาพพอให้นึกออกเป็นเขาเป็นลางว่าหน้าตาประมาณไหนหน้าแหลมหน้าทู่หน้ายาวหน้าสั้น ดูดีดูตลกเป็นต้นและขอให้สังเกตดูในห่วงมโนนึกนั่นเองคุณจะไม่เห็นอะไรนานเกินโฟกัสสายตาที่จับนิ่งหากโฟกัสของสายตาเคลื่อนมโนนึกก็เคลื่อนตามเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งขอให้มองจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้สบายๆแบบที่เห็นเส้นรอบวงทั้งหมดไปด้วยแล้วนับหนึ่งถึงสในใจช้าๆ ในที่นี้จะเป็นรูปวงกลมและมีจุดหนึ่งจุดตรงกลางนะครับท่านที่ฟังเสียงอยู่สามารถเขียนเองในกระดาษและลองจ้องได้เลยมองจุดตรงกลางวงกลมแบบสบายๆและนับ 1-10 ถึงช้าๆจากนั้นให้ปิดตาลงแล้วนึกถึงจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วนับ 1-10 ถึงใหม่ในจังหวะเดียวกันโดยอย่าให้โฟกัสของสายตาเคลื่อนไปไหน หากพบว่าวงกลมวงเดียวกันปรากฏอยู่ในห่วงมโนนึกก็ขอให้ทราบว่านั่นเรียกภาพติดตาภาพติดตาเกิดจากการที่เรามองอะไรสักพักแล้วมีผลให้เซลล์รับภาพถูกกระตุ้นนานๆกระแสประสาทจึงยังคงสภาพอยู่ชั่วครู่ด้วยแรงเฉยในตัวเมื่อกระแสประสาทหมดแรงเฉืยภาพติดตาก็ถึงเวลาหายไปด้วย แต่ถ้าภาพติดตาหายไปแล้วคุณอาศัยกำลังใจนึกถึงจุดศูนย์กลางวงกลมใหม่หากวงกลมเกิดขึ้นอีกจะชัดเจนหรือพ้าเรือนก็ตามตรงนั้นไม่ใช่ภาพติดตาแล้วแต่เป็นนิมิตทางใจที่คุณคิดสร้างขึ้นด้วยกำลังใจล้วนๆใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานธรรมะทั้งหลายสำเร็จจากใจ เมื่อใจคุณนึกถึงวงกลมวงกลมย่อมสําเร็จขึ้นได้ทั้งที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงกับทั้งพร้อมจะหายไปเมื่อหมดใจคิดถึงมันความสามารถในการหน่วงนึกถึงวงกลมของแต่ละคนไม่เท่ากันจะเป็นไปได้นานเพียงใดขึ้นอยู่กับกำลังใจคือเห็นเป็นเรื่องน่าสนใจแค่ไหนท้าทายให้ฝึกหน่วงนึกนานเพียงใด ยิ่งหน่วงไว้ได้นานเท่าไรก็ยิ่งเป็นสมาธิแบบกะสินภาพมากขึ้นเท่านั้นหากคุณฝึกสมาธิแบบกะสินภาพได้จนกระทั่งจิตมีกำลังมากพอจะรักษารูปวงกลมไว้ได้นานเกินหนาทีคราวนี้พอนึกถึงใบหน้าของใครแม้ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกรักหรือเกลียดคุณก็จะยังคงมีความสามารถหน่วงนึกถึงใบหน้าของเขาได้อย่างแจําชัดและเนื่นนาน เรากับยังเห็นอยู่ด้วยตาเปล่าหรือกระทั่งชัดกว่าเห็นด้วยตาเปล่าสิอีกการทำความเข้าใจเรื่องนิมิตทางใจนี้จะช่วยให้คุณเห็นกระจ่างอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าความปรุงแต่งทางใจมีหน้าตาให้รับรู้ได้หรือไม่ย้อนกลับไปนึกถึงคำดา่าเช่นไอตัวซวย หากคุณถูกด่าด้วยคำนี้แล้วสะดุ้งอย่างมากก็คงแค่โกรธชั่วครู่ไม่มีนิมิตทางใจใดปรากฏแต่หากคนเอ่ยปากดา่าเขาใช้เสียงก้าวร้าวกักขัะหรือเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทางใจกับคุณมากพอก็อาจเกิดพลังกดดันก่อมโนภาพเหมือนเชื้อโรคร้ายชวนให้คุณนึกว่าตัวเองกลายร่างเป็นไวรัสน่าเกลียดน่ากลัว ที่ระบาดแพร่ความฮายณะไปทุกคนทุกแห่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งคือถ้อยคำหรือสิ่งกระทบใดก็ตามที่สามารถทำความรู้สึกแย่ก่อภาพแจ่มชัดฝังใจได้สิ่งกระทบนั้นจะสร้างอารมณ์เกลียดขึ้นมาได้มากมายเช่นกันยิ่งถ้าเป็นคำกระทบที่กัดกินใจให้เจ็บลึกก่อภาพมืดมัวชัดขึ้นเท่าใดอารมณ์เกลียด จะยิ่งแรงขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้นนอกจากคาําด่ายังมีคําวิจารณ์เช่นคุณอุตสาตั้งใจค้นคว้าตั้งใจหารายละเอียดกับทั้งอุตสามาออกแรงพูดเสียดดีแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รับฟังรายละเอียดใดๆเลยมาถึงก็ให้ความเห็นว่าคุณละเมอเพิ่พกไปเองคิดไปเองพลามพูดมันเด็กไร้เดียงสาแน่นอน ฟังเสร็จต้องโกรธคุณอาจรู้สึกถึงหลุมดำแห่งโทสะที่ดึงดูดให้ใจยุบตัวลงเป็นความจุก อ, อกอึดอัดคัดแน่นกับทั้งมีความคิดเปลี่ยงปปางขึ้นมาในหัวซึ่งก่อให้เกิดนิมิตทางใจคล้ายน้ำวนในอกกับสายฟ้า ฟ, า, ฟาดอยู่ในหัวและเมื่ออัดอั้นเกินทนถึงจุดที่ระเบิดพโล่งออกไปด้วยการอ้าปากดา่า ลักษณะทางใจจะคล้ายก้อนหินตันๆก้อนหนึ่งยิงตัวแล่นทะลุแก้วออกไปดาเสร็จเรื่องยังไม่จบยังไม่ชะล้างสิ่งสกปรกออกจากใจความสกปรกก็แปลสภาพเป็นเงามืดแห่งปีศาจความเกลียดแตกต่างจากตัวเดิมของคุณแต่งอกเงยออกไปจากความเป็นคุณ เมื่อสามารถเห็นที่มาที่ไปของอารมณ์เกลียดทราบว่าเป็นความปรุงแต่งทางใจอันมีต้นเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆกับทั้งไม่ได้ฝากอยู่กับตัวตนของบุคคลที่คุณเกลียดทว่าฝังไว้ในใจคุณเองเช่นนี้ก็นับว่าเริ่มนำอารมณ์เกลียดมาใช้เจริญวิปัสสนาได้แล้วเพียงรู้สึกถึงอารมณ์เกลียดในตนได้ชัดเจนสักอึดใจเดียว สติของคุณอา จ, จเจริญขึ้นและต่อยอดเป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของอารมณ์เกลียดได้อย่างพิสดารเป็นเหตุเป็นผลที่เด่นที่สุดก็เช่นขณะเกิดอารมณ์เกลียดจิตของคุณจะมืดมนเหมือนถูกคลุมด้วยเงาใหญ่ไม่อาจคิดอ่านไม่อาจพิจารณาอะไรดีๆได้ต่อเมื่อเงามืดเริ่มคลายตัว คุณจะรู้สึกเหมือนความคิดอ่านกลับมาทำงานสามารถพิจารณาเหตุพิจารณาผลได้ใหม่เมื่อคุณเริ่มสามารถเห็นเหตุผลทางอารมณ์อันยากจะเห็นได้อย่างหนึ่งก็จะต่อยอดเป็นความสามารถในการเห็นเหตุผลทางอารมณ์อื่นๆหมดยกตัวอย่างเช่นเมื่อถูกด่าว่าเป็นไอตัวซวยแล้วรู้สึกเฉยเฉยคุณจะสามารถอธิบายตัวเองถูกว่า ทำไมถึงเฉยเฉยเช่นผู้ด่าหาได้มีอิทธิพลทางใจกับคุณแม้แต่น้อยหรือไม่ก็เพราะคุณเคยทำประโยชน์ไว้มากรู้เต็มอกว่าการมีตัวตนของคุณคือความโชคดีของใครต่อใครรอบตัวจิตจึงไม่เกิดอาการสันสทานกับข้อหาตัวซวยเลยสักนิดแต่หากเป็นตรงกันข้ามถ้าคุณถูกกล่าวหาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มาแต่เล็กแต่น้อยว่า เป็นตัวซวยเพราะจะอยู่กับใครเลือกข้างไหนก็มกักพาเคราะห์ร้ายไปสู่พวกเขาคำด่าที่ว่าไอ้ตัวซวยคำเดียวกันนี้ย่อมกระทุงให้เกิดอาการเศร้าโศกเสียใจได้แบบเฉียบพลันไม่อาจห้ามไม่อาจฝืนหรือถ้าหากมีคำว่าตัวซวยกึกก้องซ้ำไปซ้ำมาในหัวไม่เลิกคุณก็จะทราบด้วยสติว่า การปรุงแต่งทางใจเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่เริ่มจากตัวสวยในความทรงจำเป็นถ้อยคำที่ลอยไปลอยมาปะปนกับคลื่นความคิดในหัวถ้อยคำดังกล่าวก็ให้เกิดความเจ็บปวดใจและในที่สุดความปวดใจก็เป็นฐานผลิตคำว่าตัวสวยชุดใหม่ออกมากระนำซ้ำเติมวนไปเวียนมาไม่รู้จบอยู่อย่างนั้น การเป็นตัวซวยไม่ได้มีฤทธิ์กระทบหูหรือกระแทกหัวใจเท่านั้นถ้ามันมีเขาความจริงรองรับอยู่ก็อาจสะเทือนไปถึงก้นบึ้งจิตวิญญาณทีเดียวพอคนเราไม่รู้ว่าตัวเองมีกําเนิดเช่นนี้ขึ้นมาได้อย่างไรรู้อีกทีก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าหากการเป็นอย่างนี้หมายถึงสภาพชวนชิงชังเหมือนเชื้อโรคไม่มีใครอยากนับเป็นพวกไม่มีคนในตระกูลอยากนับเอาเป็นลูกหลาน หรือนับถือเป็นเทือกเขาเหล่าก่อแน่นอนความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตตนเองย่อมสุดแย่แบบไม่ต้องอธิบายที่มาที่ไปกันเลยปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์เพียงชุดเดียวจึงอาจแสดงให้เห็นความรู้สึกในตัวตนอย่างถึงแก่และเมื่อสามารถเจริญวิปัสสนาจนเห็นว่าเป็นแค่ปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์หาใช่ตัวใครที่แท้จริงไม่ รากของความรู้สึกแย่เกี่ยวกับตนเองย่อมถูกแทนที่อาจจะทันทีทันใดหรืออาจจะต้องเจริญวิปัสนาถอนความยึดมั่นว่าเราคือตัวซวยออกไปทีละน้อยหลังจากเห็นการปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปในทางโทสะได้บ่อยพอจนเริ่มคุ้นกับนิมิต ท, ทางใจมากขึ้นเรื่อยเรื่อคุณจะพบเองว่า ไม่ใช่มีแค่โทสะที่ก่อนิมิต ท, ทางใจแม้ราคะก็ด้วยราคะเกิดขึ้นจากการตรึกนึกถึงสิ่งน่าชอบใจทางเพศแต่ชนวนเริ่มต้นให้ตรึกนึกนั้นบางครั้งเกิดจากการเห็นภาพเล้าตาหรือเสียงยวนใจบางครั้งก็เกิดจากความรู้สึกอันเป็นไปในกายตนเองที่มีความตื่นพร้อมจะเกิดเหตุการณ์ทางเพศ สิ่งได้ปลุกอารมณ์ให้เกิดความใคล้สัมผัสหรือเกิดความอยากค้นหาสิ่งซ่อนเร้นสิ่งนั้นจะก่อหนิมิต ท, ทางใจชนิดเข้มข้นขึ้นมาซึ่งโดยมากจะเป็นเครื่องหมายทางเพศตลอดจนใบหน้าหรือสัดส่วนร่างกายที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่คุณสามารถสังเกตได้คือหลังจะเกิดนิมิตอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเพศถ้าไม่มีอาการตรึกนึกต่อ นิมิตดังกล่าวก็จะหายไปจากใจในเวลาไม่นานนักแต่หากตรึกนึกต่อแม้อาจจะเพียงชั่วอึดใจเดียวปฏิกิริยาทางกายจะตามมารองรับและกลายเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตติดอยู่กับนิมิต ท, ทางเพศหรืออารมณ์รู้สึกกระหายจะได้เห็นและสัมผัสอย่างต่อเนื่องตัวคุณในความรับรู้ของตนเอง อาจกลายเป็นคนหน้ามืดที่มีความนิ่งทื่อดูไม่พร้อมจะคิดอะไรฉลาดฉลาดหรือกระทั่งรู้สึกได้ถึงไอร้อนแห่งความกระวนกระวายที่พุ่งขึ้นมาจากกลางอกการเห็นความปรุงแต่งทางใจทั้งหลายโดยความเป็นนิมิตนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นของติดตัวโดยไม่ต้องฝึกคุณเพียงแค่สังเกตก็จะเห็นโดยง่าย และเพื่อให้จําง่ายว่าจะต้องเห็นอะไรบ้างก็ขอให้ท่องไว้ถามตัวเองว่าเมื่อราคะมีอยู่ในจิตรู้สึกอย่างไรเมื่อราคะหายไปจากจิตต่างกันอย่างไรเมื่อโทสะมีอยู่ในจิตรู้สึกอย่างไรเมื่อโทสะหายไปจากจิตต่างกันอย่างไร หลังจากเข้ามาอยู่ในโลกของจิตเห็นอาการปรุงแต่งทางจิตเป็นนิมิตได้สักพักคุณจะเริ่มคุ้นกับทุกนิมิตแม้กระทั่งแรงกระทบของสิ่งต่างๆที่เข้าหูเข้าตาหรือความคิดความจำที่กระแทกใจก็เป็นนิมิตให้สังเกตได้หมดสิ่งกระทบในโลกนี้ที่แรงพอจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางใจมีอยู่สองระดับใหญ่ๆระดับแรก กระทบให้จุกคล้ายโดนหมัดหุ้มนวมชกระดับสองกระทบให้แตกได้เหมือนโดนค้อนเปลื่อยทุบตัวอย่างของแรงกระแทกแบบหมัดหุ้มนวมก็เช่นโดนคนแปลกหน้าที่เดินไม่ดูตาม้าตาเรือมาเหยียบเท้าหรือถูกแซงคิวที่คุณอุตส่าห์รอมานานหรือเจอเขามองหน้าหาเรื่องแบบไรเหตุผลอย่างนี้ส่วนใหญ่จะโมโหขึ้นมาวูบหนึ่ง แต่ขี้เกียจมีเรื่องให้เสียเวลาจึงปล่อยปล่อยไปถ้าหากสังเกตเข้ามาดีๆคุณจะเห็นเหมือนมีแรงอาจชนิดหนึ่งที่จับต้องไม่ได้กระทบปังเข้าที่ใจตอนเห็นได้ทันว่าเกิดแรงกระทบชนิดนี้ก็จะเกิดสติเข้าใจทันทีว่าเพราะโดนกระแทกเจ็บที่ใจจึงเกิดความโกรธเป็นปฏิกิริยาสวนออกไปวูบหนึ่งเป็นธรรมดา หากเกิดสติเท่าทันณัจจุดเกิดเหตุเห็นวูบแห่งนิมิตโทสะพวยพลุ่งออกไปแล้วก็คลายพ่นไฟเสร็จแล้วหายเลยใจกลับสงบไม่มีอะไรต่อจากนั้นแต่หากไม่มีสติเท่าทันขณะแห่งการถูกกระทบความเจ็บใจจะแปลตัวเองเป็นอาการครุ่นคิดต่อเช่นนึกบริพาดบรรพบุรุษนึกว่ากล้าดียังไงถึงทากับคุณแบบนี้หรือนึกว่าคนพันนี้ สมควรจะได้รับการอบรมจากคุณไหมเป็นต้นตัวคิดปรุงแต่งต่อ น, นี่หละที่จะโหมไฟโทสะให้ลุกโพล่ขึ้นตลอดจนเป็นเชื้อเพลิงต่ออายุโทสะให้ยืดนานออกไปไม่จบไม่สิ้นลงโดยง่ายแต่ถ้าคุณย้อนทบทวนดีๆตรึกนึกถึงนิมิตของแรงกระทบว่าที่แท้มีกำลังอ่อนเป็นการกระทบกระทั่งทางใจนิดเดียวต่มาถูกขยายความเจ็บ ก็เพราะกระสุนปืนกลทางความคิดของตัวเองเล่นงานตัวเองไม่เลิกในภายหลังพอเห็นเช่นนั้นเพลิงโทสะก็เหมือนมอดลงได้ทันทีสรุปแล้วสำหรับเรื่องกระทบระดับหมัดหุ้มนวมนั้นถ้าไม่คิดต่อก็แล้วไปแต่ถ้าคิดต่อจะโมโหโกรธาเป็นฟืนเป็นไฟได้ไม่เลิก คราวนี้มาดูเครื่องกระทบที่กระแทกแรงได้เหมือนค้อนเปลือยทุกบ้างตัวอย่างที่ทุกคนคงเคยพบมาตรงกันอย่างความผิดหวังในรักเช่นถูกปฏิเสธแบบไม่ไว้หน้าถูกคนรักบอกเลิกเห็นคาตาว่าคนรักจูจีกับคนใหม่หรืออาจเป็นเรื่องของการเพียรพยายามที่ล้มเหลวเช่นสอบตกสอบไม่ติดเกือบชนะแต่กลายเป็นแพ้ครั้งใหญ่ อายขายหน้าไปทั่วหรืออาจเป็นเรื่องของการสูญเสียเช่นบุคคลนั้นเป็นที่รักถึงเวลาจากไปเป็นต้นเหตุการเหล่านี้ที่เล่นงานคุณผ่านภาพกระทบตาหรือเสียงกระทบหูล้วนมีพลังชนิดทุบให้แตกแบบคอนเปลื่อยไม่ใช่กระแทกให้เจ็บเหมือนหมัดหุ้มนวมเมื่อรู้สึกราวกับใจเกิดบาดแผล หรือกระทั่งเหมือนแก้วแตกที่ไม่อาจเก็บเศษซากมาประสานได้หมดคุณจะรู้สึกว่าบาดแผลหรือรอยแตกยังคงค้างค า, าอยู่ตรงนั้นมองกี่ทีก็ยังอยู่แม้จเจริญสติจนรู้เท่าทันนักขณะแห่งการกระแทกหรือกระทั่งเห็นกระบวนการเกิดบาดแผลยังจำแจ้งแล้วก็ตามสิ่งที่คุณอาจนึกไม่ถึงคือตัวบาดแผลหรือรอยแตกนั่นแหละ ทางวิปัสสนาคือของดีที่น่านำมาใช้ฝึกดูทั้งนี้เพราะภาพชัดยิ่งกว่าชัดในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องเค้นไม่ต้องควานหาว่าเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนาทีใดที่แผลกำเริบความรู้สึกเป็นทุกข์ย่างใหญ่หลวงย่อมปรากฏขอให้ยอมรับตามที่ระดับความทุกข์มันระเบิดออกมาแล้วถามตัวเองว่าคุณเห็นอะไร เห็นเหมือนเกิดรอยร้าวบนใบหน้าเห็นเหมือนหัวใจยืดออกคลายจะขาดตามบุคคลนั้นเป็นที่รักไปสู่สัมรารยาภพคุณจะพบว่าการสู้ทนบาดแผลกับการเห็นบาดแผลเป็นนิมิตทางใจนั้นให้ผลแตกต่างกันลิบลับกล่าวคือการสู้ทนกับบาดแผลในใจนั้นจะทำให้คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆย้ำคิดย้ำรู้สึกอยู่แต่ว่า คุณเป็นคนเจ็บปวดคุณเป็นผู้สูญเสียคุณเป็นทุกข์เกินทนไม่มีใครในโลกนี้ปวดแสบปวดร้อนไปกว่าคุณอีกแล้วส่วนการเห็นบาดแผลเป็นนิมิตตามที่แรงดันแห่งความทุกข์มันกระตุ้นให้คุณเห็นไม่ว่าเดิมทีจะคันอกคันใจหรือปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนในอึดใจเดียวคุณจะเกิดอีกความรู้สึกแทรกซ้อนขึ้นมา คือรู้สึกว่าบาดแผลเป็นแค่ร่องรอยอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนพยับแดดที่ ด, ดูดีก็จะหายไปไม่ใช่คุณไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นแต่พยับแดดดังกล่าวมีความพิเศษเมื่อร่องหนหายไปแล้วยังคงวนเวียนกลับมาใหม่ได้ไม่เลิกซึ่งคุณก็ถือโอกาสดูดูและดูซ้าไปซ้ามา เพื่อให้จิตเกิดความฉลาดเห็นว่านั่นสักแต่เป็นเพียงพยับแดดทางใจปรากฏขึ้นมาชั่วครู่ชั่วยามที่บาดแผลกำเริบวิปัสสนาจะช่วยให้พบว่าระยะสุดท้ายของบาดแผลมาเร็วกว่าแผลทางใจทั่วไปกล่าวคืออาจจะภายในวันเดียวที่ฝึกจนสติเจริญพอมองแผลเดิมที่ใจแม้จะเห็นมันคงอยู่ ก็ซีดจางเต็มทนไม่สดไม่เข้มเหมือนแต่แรกอีกแล้วยิ่งเห็นอาการปรากฏได้ก็ล่องหนได้ของนิมิตบาดแผลทีบ่อยขึ้นเท่าไรความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่ามันคือแผลของคุณจริงๆก็ยิ่งลดน้อยถอยลงเท่านั้นไม่ว่าจะโดนกระทบแบบหมัดหุ้มหนวมชกหรือแบบค้อนเปลื่อยทุบ ปราบได้ที่ยังมีสติรับรู้ถึงนิมิต ท, ทางใจปราบนั้นทุกกระทบจะมาช่วยเป็นเครื่องฝึกวิปัสสนาให้คุณได้หมด